ในเรื่องนี้ความสุขมีคุณเป็นข้อดีที่เด่นเห็นชัดว่าตามบาลีก็คือสุขะปัฏฐานโนสมาธิแปลว่าสมาธิมีสุขเป็นบรรทัดฐานก็คือสุขนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นเหตุใกล้ของสมาธิสุขแปลว่าคล่องแปลว่าสะดวกแปลว่าง่ายคือไม่มีอะไรบีบคั้นไม่ติดขัด ไม่ถูกกดดันก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่พลุ่งพล่านไม่กระวนกระวายก็สงบพอสุขก็สงบพอสงบสมาธิก็มาง่ายมาได้เลยพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงอาศัยสุขเป็นที่ตั้งก็เลยพูดเป็นหลักไว้ให้รู้กันว่าสุขปะปัฏฐานโนสมาธิแปลว่าสมาธิ มีสุขเป็นบรรทัดฐานได้แค่นี้ก็ชัดแล้วว่าความสุขนี้มีคุณมากแล้วสุขก็เป็นอาการของชีวิตที่มีคุณภาพอย่างพระอรหันต์เวลาว่างไม่มีกิจที่ต้องทําท่านก็พักอยู่ด้วยภาวะจิตที่เป็นสุขในเวลาปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารซึ่งตามปกติก็มักอยู่ด้วยฌานถึงไม่มีอะไรทํำที่จะเป็นสุข ก็อยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาในวาระนั้นๆอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดมากนักส่วนในด้านโทษก็ต้องพูดว่าโทษของสุขมีไม่น้อยข้อที่สำคัญก็คือสุขนั้นชวนให้ประมาททำให้มัวเมาลุ่มหลงเพลินผัดเพี้ยนเรื่อยเปยื่อยเฉื่อยชาแม้สมาธิที่มีสุขเป็นบรรทัดฐาน ก็มีโทษในแง่นี้ด้วยใช้คำบาลีว่าสมาธิเป็นโกสัจ ช, ชะปักขะคือเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจโกสัจ ช, ชะแปลว่าความเกียดคร้านปักขะแปลว่าพวกหรือฝ่ายแต่ในเวลาเดียวกันสมาธิก็เป็นโพธิปักคียะอยู่ในโพธิปักคียะธรรม37ประการคือเป็นธรรมในฝักฝ่ายแห่งการตัดสู้ อยู่ข้างโพธิคือโพธิความตัดสูนั้นก็ต้องอาศัยสมาธิตรงนี้ควรจับเป็นข้อสังเกตไว้คือสมาธินี้อยู่ในโพธิปัคขะเป็นธรรมในฝ่ายของการตัดสู้แต่มันก็เป็นโกสัชปัคขะเข้ากับพวกความขี้เกียจ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองธรรมอย่าไปมองในแง่ดีอย่างเดียวแง่ที่จะเสียก็มี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 มีโทษมากเป็นอันว่าต้องระวังไว้รู้จักใช้ให้เป็นอย่าให้จมลงไปในความประมาทคนเรานี้พอมีความสุขโดยเฉพาะการ ม, มาสุขก็มีความเป็นไปได้มากที่จะรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาสยบติดแล้วก็ประมาทพอสุขแล้วก็ไม่กระตือรือร้นไม่อยากทำอะไร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 จนถึงอริยธรรมทั้งหลายเข้าวงจร น, นี้กันมามากมายพอมีโทษอย่างนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าสุขจะมีคุณค่าตกต่ำมากมากแต่ที่จริงสุขก็คือสุขคนที่มีกิเลสตัางหากปฏิบัติต่อสุขไม่ถูกต้องจึงทำให้ประมาทเป็นต้นอย่างที่ว่านั้นทีนี้ความสุขที่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จานวนมาก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 อันเป็นลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหาแล้วความไม่รู้จักพอที่สนองไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มนั้นก็เกิดเป็นปัญหาที่ก่อทุกข์ขึ้นมาภายในตัวเองด้วยตัวคนนั้นเองยิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นที่เคยได้ในดีกรีและปริมาณเท่านี้เคยเป็นสุขต่อมาได้เท่านั้นไม่เป็นสุขแล้วกลายเป็นชินชาของที่เคยทาให้สุข ก็เปลี่ยนเป็นเฉยจากนั้นก็เบื่อนายเพระเบื่อนายแล้วที่เคยขาดไม่ได้ก็กลายเป็นจำใจทนที่เคยทําให้สุขก็กลายเป็นทําให้ทุกข์ความอยากก็เปลี่ยนไปกลายเป็นต้องการว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะไปสักทีนี่ก็คือทุกข์ภัยอย่างหนึง่งแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินสักบาทเดียวพอหาเงินได้พันบาท ก็ดีใจเป็นสุขเหลือลน้นมีรายได้วันละพันบาทแม้มีความสุขจังต่อไปก็หวังใหม่อยากได้วันละแสนฝันว่าถ้าได้วรแสนบาทนี่ต่อไปฉันไม่เอาอะไรแล้วแสนสบายมีความสุขเต็มที่เกิดได้วันละแสนบาทขึ้นมาจริงๆตอนแรกสุขเหลือเกินยินดีปรีดาสุขสันหันสาเต็มที่ถ้ามองลึกลงไปในตอนนี้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 ไม่รู้พอดังที่ว่ามาเรื่องอย่างนี้ท่านเล่าไว้มากมายให้รู้ทันว่าความต้องการของมนุษย์นี้ไม่มีที่สิ้นสุดความอยากได้ไม่มีที่จบสิ้นจึงทั้งเป็นเหตุของการเบียดเบียนกันก่อทุกข์ภัยข้างนอกมากขึ้นและข้างในใจของตัวเองก็ยิ่งมีทุกข์ซับซ้อนมากขึ้นแล้วพร้อมกันนั้น ความทุกข์จากความเบื่อหน่ายชินชาก็เข้ามาซ้ำอีกชั้นหนึ่งด้วย